ฟังทำสักหน่อยเนาะยังไม่เบื่อนะถ้าอยากจะพูดรือว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าไม่มีผู้บอกไม่มีผู้พูดไม่มีผู้ฟังก็มดแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ายังตาบใดมีผู้พูดมีผู้ฟังอยู่ก็แจงว่า ยังจะมีคำสอนอยู่ถึงทั่วลูกชั่วหลานหลงตาก็มีอาชีพก็ว่าได้เพราะมันเป็นบุญการท ร, รมเทศชนะไหม่เป็นบุญผู้ฟังก็ทรมัทสพนามัยเป็นบุ ญ, รร เ, บญเหมือนกันทั้งสองฝ่ายเป็นการทำดีจึงเป็นเรื่อง ที่เราควรที่จะประกอบวาลุขึ้นมากับชีวิตของเรามีสมัยข้างพระ เ, เจ้ามีพระอาหารหันต์หลายรูปที่เป็นพระขีนายศด้ดยทอดทิ้งไม่บอกไว้สอนผู้คนพระ เ, เจ้าก็ตำหนิ ผู้ใดทําแต่ประโยชน์ตนไม่ทําประโยชน์คนอื่นแสดงว่าไม่เป็นประโยชน์อันรผู้ใดทําแต่ประโยชน์คนอื่นไม่ทําประโยชน์ตนก็ไม่เป็นประโยชน์สแตนผู้ใดทําประโยชน์ตนเองทําประโยชน์คนอื่นบ้างมานั่นแหละถือว่ามีประโยชน์ต่อโลก เรื่องนี้จึงเป็นธุระของเราให้มาเอาธุระนี่บ้างเมื่อเราบวชมาแล้วต้องเอาธุระธุระของเราอย่างน้อยต้องมีสองอย่างคันธาธุระศึกษาไถถามกบคิดฟังนี่ว่าคันธาธุระได้ยินได้ฟัง มากมากเป็นพระหูสูรเช่นพระอานุ์เนี่ยเรียกว่าคันธาธุละอันที่สองคือวิปัสนาทุละความความเพียรมีสติตามคำสอนนั้นนำมาประกอบเหมือนที่เราสวดธรรมบปะหังในที่นี้ว่าเป็นหน้าที่ของเรา เ่อสวดธรรมปาหังเนี่ยหลวงตาคิดถึงสมัย514 13 4เคยไปอยู่สวนโมกไปสวดพระสูตรนี้ในสวนโมกร่วมกันกับญาติกับโยมกับพระสงฆ์จำนวนมากที่สวนโมกเป็นภาพที่ติดใจซึมซักอยู่ในหัวใจเนี่ยก็เลย คนลึกซึ้งสสยหมายนั่นมีหลายคนชาติเป็นโยมก็มีอะไรหลายคนจำไม่ได้องค์ข้ามวันทีก่อนๆคือใครหลังแต่พระสงฆ์ที่สวดไปอยู่รุ่นเดียวเขาเดียวกันก็ห่อนภาพไปกันเกือบหมดแล้วรุ่นสวนโมกใหม่ๆ เสลิมโนนี้เรามันลึกซึ้งมันประทับใจจึงมาเป็นทุรละของพวกเราเอางานนี้มันก็มีอยู่จริงมีสูตรที่เป็นเป็นหลักสูตรที่แน่นอนที่สุดเพราะสูตร น, นี้เรามาดูในสมัยต้นต้นพุทธกาล พระพุทธเจ้าก็สอนสูตรเนี่ยสูตรสติปัฏฐานเนี่ยไม่ได้สอนสูตรอื่นสมัยนั้นยังไม่มีร้อสงมากเอาสูตรนี้สอนมีสติเรียกวสติปัฏฐานนั้นที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นสูตรของชีวิตทุกชีวิตเลยเดี๋ยนให้จบจนเกิดพระอรหันต์ขึ้น ไปในแปดเก้าเดือนเนี่ยมีเรื่องเดียวเท่านี้หนึ่งพันสองรอยห้าสิบูปนะยังไม่มีวิไหนอะไรที่มากมายยังไม่มีสังฆกรรมมลายมนล่างบัญญัติขึ้นทีหลังเมื่อมีพระสงฆ์จำนวนมากแต่ไม่ได้มีอะไรเพียงแต่ บ, บอกว่า เธอจะเป็นทิกษูงมาเถิดทํำไม่ใน้เราตัดไว้ดีแล้วทำไม่ไหนก็คือเนี่ยสติเนี่ยจะเป็นธรรมทั้งวินัยถ้ามีสติมันก็รับความชั่วถ้ามีสติมันก็ทําความดีถ้ามีสติสตจิตมันก็บริสุทธิ์มันเป็นทั้งธรรมทั้งวินัยไม่ได้แยกกันเลย เราชั่วทาดีทงจิตบริสุทธิ์เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็ น, นตัวตอนว้ไหนเราตัดไว้ดีแล้วมีแล้วมีสติดูแลตัวเองจนได้เป็นพระหันก็เพราะเรื่องนี้กันตั้ไหก่อนเกิดพระหันหนึ่งพันสองรอหสิบรูปจากเป็นเดือนแปดถึงเป็นเดือนสามเนี่ย มันมีหลักฐานหาดนี้เราไว้ต้องลังเลสงสยัยแล้วเรื่องนั้นก็เป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้ที่เรากำลังทาอยู่นี่มันเป็นเรื่องเดียวกันไม่ใช่คนละเรื่องเลยเดียวที่ว่าทำตัดไปดีแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วมันอยู่ในชีวิตของคนคือกายคือใจนี่ แต่แล้วควมชั่วก็แล้วได้ที่กายที่ใจทำวามดีก็ทำได้ที่กายที่ใจนี่มันพ้มแล้วไม่มีใครเห็นตัวเราทั้ตัวเราต้องไม้เชื่อใครให้ทำลงไปอย่าเกียดข้านีความเปลี่ยนมีความบากบัน่นไม่บรรลุในถึงที่ควบรบรรลุ ก็อย่าโทษถอยว่ายัางไม่แจ้งในสิ่งที่ควรทำไม่แจ้งก็อย่าเพิ่งย่อหย่อนแม่เลือดเนื้อชีวิตเราจะปูพังไปก็ตามเหลือแต่หนังหุง้มกระดูก่อจะไม่ทิ้งให้มีความมั่นใจแน่วแน่เติดขาดลองดู ช, ชีวิตเต็นที่เรื่องนี้ลองดูเรื่องอื่นเราก็ใช้มามากแล้วชีวิตของเราใช้กันมามากแล้วบางทีเป็นพ่อคนแม่คนเรื่องลูกเรื่องหลานเต็มบ้านเต็มเมืองมันเป็นของอันอื่นไม่ใช่เรื่องการเรื่องใจเราที่ควรจะมีจะเป็นยังมีปัญหาเรื่องกายยังมีปัญหาเรื่องใจอยู่ แน่นอนถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องนี้ถ้าเราศึกษาก็จบเลยในคำสอนภาคแรกนัานแ่ะตัดทะลุแล้วออกจากพระโอษฐในวันเป็นเดือนหกนั้นแต่ก่อนไม่มียานไม่มีสติเราได้ล่อนทั้งเที่ยวไปกับสงสารเป็นเนกาชา ต, ติองสารคือความหลงความโกรํความรัก ค, ความชัง ภูผแผบแผบเรือ ว, ว่าสงสารหลงแล้วหลงอีกเรื่องเก่าทุกเล้าทุกอีกเรื่องเก่าโกรธแล้วโกรธอีกเรื่องเก่าเรียกว่าวัฏฏะสงสารเกิดดับเกิดดับในนามาูปแบบนี้เรามีสติเห็นแล้วเราเห็นแล้ว คงเรือนทั้งบอกของเจ้าละหักได้แล้วโยอดเรือนเราก็ลื้อแล้วจากที่เป็นสังขารเปลี่ยนไปวิสังขารแต่ความหลงเปลี่ยนเป็นความรู้ควมรู้สึกตัวนี่เป็นวิสังขารความหลงเป็นสังขารมันเปลี่ยนได้อยู่ความทุกข์เป็นสังขารความรู้สึกตัวเป็นวิสังขารในสังขาร น, นั่นไม่มีวิสังขาร ไม่ต้องไปหาหน้าที่ใดเป็นวิสังขารกองเรือนก็หักแล้วมันหลงก็อรูแล้วความหลงก็อเลยเปลี่ยนเป็นตัวรูแล้วหักแล้วลื้อแล้วหรือยังมีซากมีอะไรอยู่หัวตนไม้ม ย, ยังมีลากอยู่รู้แล้วลูกอีกมันก็หมดนะ่้ เมื่ก่ดทิ่เหนือสลาหัวใจนี่แต่ก่อนเป็นป่าพงป่ายญ้าคา๋ดนี้ไม่มีแล้วเพะเอาออกเรื่อยๆเอาออกเรื่อยๆจากที่ป่าย้าคาป่าพงมันก็เป็นอันอื่นไปแล้วจากความหลงกลายเป็นความรู้ไปเสียแล้ว คว่าโมทุกข์กลายเป็นควลมรูดแล้วป่ายะขากลายเป็นป่ายางไปแล้วใช่ไหมไม้ช่น้อยเป็นป่าไม้ไปแล้วเราก็เกิดไรที่มีประโยชน์ต่อแผ่นดินได้ไม่มีโทษอันความหลงมีแต่มีโทษโกลมทุกข์ก็มีเกิดโทษบีบเ็นตนบีบเ็นคนอื่น ก็ไม่หลงมันรู้แล้วก็ไม่บียดเบียนตนไม่บีดเบียนคนอื่นนี่คือคําสอนของพระพุทเจ้าสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อการบียดเบียนตนและบียดเบียนคนอื่นไม่ใช่คําสอนของหลัตถาคตสิ่งใดไม่เป็นไปที่เบียดเบียนตนได้คนอื่นนั่นแหละคือคําสอนของหลักตถาคตมันก็มีแค่นี้ถ้าเรายังเบียดเบียนเราอยู่ เราก็บีเปลีป่ยนคนอื่นได้พูดเรื่องนี้พูดแล้วพูดอีต้องไขคุณเจแช่โซ่ออกันตรงนี้มันจึงจะหลุดออกไปมันคล้องอยู่มันติดอยู่เขาก็มีอาสาท้ตพอจะในความหลงไม่หลงก็หาเรื่องให้หลงบางทีไม่มีหาซื่อมาอันที่เป็นความหลง ขโมยเอาก็มีอันที่เป็นความหลงเพื่อจะได้ความหลงวางดีไม่มันไม่โกรธก็หาเรื่องที่ให้โกรธมีเหมือนกันพวงแต่งไปเมื่อเลาะลองให้นี่เป็นสังขารเราเลยถอนแล้วเนะี่ยมันหลงถอนรวมหลงเป็นความรู้แล้วก็วเริ่มจากจุดนี้ อย่ประมาทตรงนี้ในความหลงมันฟรีเอาประโยชน์จากความหลงเรที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวนั้นเอามาเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดได้ในกายในใจเราเนี่ยหรว่ามีทุละกันทุกคนเรื่องนี้เป็นทุละกันทุกคนถ้ายังมีความหลงอยู่แจ้งว่ามีทุละอยู่อย่าโทษทิ่งทุลักเสือ ด้ยมีความหลงก็อาจจะมีความทุกข์ความโกรธความลูกต่อไปเป็นบาปอกุศลไปเป็นภกเป็นชาติไปถ้าเรามีความรู้สึกตัวก็จบลงตรงนั้นแล้วเหมือนดับไฟเสียเต่ต้นลมถ้าเราไม่ดับเองจะไปให้คนอื่นเป็นไปได้ยากเหมือนอนุมาน ไปไม่เมืองลังก า, านุมานลบกับทศกันเคยได้ยินไหมเรื่องพลักพระรามทศกันเนี่ยเป็นกองทัพใหญ่ไปเทย์ใหญ่ทางใดภูเขาพังเป็นลาบไปเลยแต่หนุมานนี่ไม่เป็นกองทัพไม่มีบริวารผงดิงไม่กี่ตัวแต่ลบกับ ทศกัณชนะทศกัณฐ์ทศกัณ น, นั่นทํามยิ่งหานุวานที่ชนะอนุมานนี่อาศัยตัวเองส่วนทศกัณ น, นั่นยิ่งใหญ่แต่เอาหัวใจไปไว้กับฤาษีไปช่วยไปเขียนไว้กับฤาษีอนุมานทราบเรื่องนี้ไปขอหัวใจทศกัณจากฤาษี ตามเรื่องนะก็เอาสอนเฉียบหัวใจของทศกัณฐ์ทศกัณก็แค่ เ, เลยแล้วหัวใจไปไว้ที่ไหนเดี๋ยวนี้ยเอาไปเขียนไว้ที่ไหนหัวใจของเราอบางทีไปเขียนไว้กับความรักความชังก็เขียนไว้กับลูกกับหลานไปเขียนไว้กับบ้านเรือนไปเขียนไว้กับทรัพย์สินแสดงคาร์มีไหม ถ้าจริงเ่านั่นผิดอะไรไปก็ใจเดาะเสร็จแล้วความรักของชังเกิดขึ้นในว่งหัวใจเดาะเดาะเพราะความรักเดาะเพราะความชังหลอกเพราะความปัญหาเชิงใดไม่ได้เชิงนั้นมี่บ้างไหมถ้าใครไม่มีหลอนตาใครมีมาแล้วหอวใจเดาะ <laughs> ใครมีมาแล้ว เขเอาหัวใจไปหอยไปเขียไวกับอันอื่นล้วก็ทําของเขาเขาก็เจ็บใจของเราทุกใจของเราโกรธของเราหลงของเราแล้วก็ไปโทษเขาว่าเขาม็ทําลายเรามันก็เรียกว่าแพ้หนุมานเลยอ่าคนที่ช่วยหนุมานก็เผาเมืองลังกา คนทั้งหลายทั้งหลายมาดับไฟก็ดับไม่หมดหมืหมานวิ่งไปทางใดเนี่ยไฟลุกไปทางนั้นคนโยดับไฟเรื่อยไปดับไฟเรื่อยไปเตยหาลูกหมว่าไฟมันเกิดอยู่ที่ใดไฟอยู่ที่ไหนไฟหานาลเกิดขึ้นที่ใดที่หางหัหมานก็หัวล้อยอยู่ โอ้มันจะยากอะไรล่ะไฟเนี่ยที่มันไม่เหมืองหลังกามันอยู่ที่หางเรานี่เองต้องให้ใครมาดับดอกหลวงก็เอาหางที่มีไฟมาอมปะปั๊บเดี๋ยวก็มอดทันทีเลยใช่ไหมเขาจะมีรถดต่เพลิงมาดับมันก็ยังไม่มอดเพราะไฟมันยังมีอยู่แล้วไหนไฟอะไรที่มันทำให้เดือดร้อนทุกวนันนี้มันอยู่กับเราเขาคนต่างคนงมี ภาละอยู่ที่นี่มีปัญหาอยู่ที่นี่ก็ดับมามันเย็ น, นจะนิดจะโกงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วลียอ ด, ดันเราก็ลื่อเสียแล้วกีดของเราถึงแล้วซึ่งสภาพ้าพีเลยปงแตกงมาได้อีกต่อไปสิ้นไปแล้วสิ้นพบสิ้นชาติจึงนั้นไปแล้วเป็นอิสระอ่ะอุปคุต หลอยรูปที่สําเร็จตั้งแต่เป็นหนุ่มๆพระหนุ่มสําเร็จเป็นพระทหารตั้งแต่เป็นหนุ่มๆทุกเจ้าก็เอามามาใช้บางทีก็ต้องพระเจ้าออกมาตักเตือนไม่ใช่ละอย่างพระบุคคลเนี่ยเป็นพระทหารตั้งแต่เป็นหนุ่มทิ้งสงไปเลยไม่อยู่กับสงทุกเจ้าก็เอามา ให้มาเป็นภาระรับเป็นภาระดูแลการก่อสร้างสมัยพระเจ้าโศหาราชทำนุนอมบ่มลงพุทธศาสนาสร้างวัด5 0าลอยวัดต้องให้อุปคุษเป็นผู้ไปดูแลเฝ้ารักษารัด บ, บ่าอาลามในงานต่างๆเพื่อลงโทษมีไหมในงานบุญต่างๆมีมีห่ออุปคุษไหม รู้จักไหมหออุปคุตเนี่ยทำไว้ในงานต่างๆบนบ้านบานวัดบ น, บ น, บ น, บ น, บนที่ใดแม้แต่แต่งงานก็เอาอุปคุตไปอยู่หอไว้เพื่อใรักษางานให้เรียบร้อยเพราะมันอุปคุตนี่เป็นผู้ทิ้งสังคมไปอยู่ในป่าผู้เจ้าละไมให้มาเฝ้างานต่างๆ เราเลยเอาโหปูคุดไปรักษางานต่างๆทุกวันนี้มีมาตั้งแต่นู่นก็เลยเสนอตัวเมื่อเป็นพระหลันแกนมแล้วหางานของสงฆ์ที่ต้องทำก็เลยเป็นเสนอตัวเองเป็นพระนวะกรรมก่อสร้างกะติท่านองค์ใดลั่วกะติอันไหนมันชุดโสม เพราะพัฒทิละนำจำมนานำมบุดเสนอเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้การก่อสร้างซ่อมแซมปฏิสังขรณ์นอกจากการก่อสร้างกติแล้วสาแล้วเป็นพระเป็นผู้แจกเสนาสะนะถ้าใครไปใครมาเป็นทุลักพระไปแจกให้อยู่ตรงไหนสมควรใครอยู่ตรงไหน ทางวัดเรานี่ก็มีมานี่ก็ไปหาใครใครเป็นคนแจกเสนาชนะเป็นธรรมไหมหรยอว่าเลือกที่รักมักที่ชังเป็นแจกก็ให้อยู่ใกล้ๆหัวใจใช่ไหมก็มีหนุ่มน้อยหน่อยก็ให้หัวใจหัวใจออกไปสักหน่อยแล้วกนนี่ให้เคยเขาอยู่เป็นเพื่อนกันสองลูกสามคน ให้เหมาะสมกับปีวิของแต่ละคนที่มาอยู่ที่มองให้มันเห็นในสิ่งบางสิ่งบางอย่างเช่นพระอานณนเนี่ยเป็นผู้ที่มีเมตตาสูงเห็นเนนเห็นสู่จันทานอดอยากยากแค้นอยู่ที่ใดเด็กน้อยจะมาบวช เป็นผู้ปกครองของเนนน้อยเจ่งมากพระอนุ์เนี่ยจะมาบวชมันคนทุกยากลำบากคนอินเดียเนี่ยจะมาบวชบวชแล้วก็บกครองมีชื่อเสียงดังๆอยู่หลายรูปลูกศิษย์พระอนต์สำเนนจังกิ จ, จะสำเนนได้บรรลุธรรมตั้งแต่ตัวเนนน้อยลอน เราสังกิจจะหลายลูกที่เป็นเนนมรรลุธรรมเบื้อนั้นเราก็ต้องช่วยกันจริงๆอย่าทอดทิ้งกันเว้นจากการทะลาวิวาทกันเล็ดขาดให้มีความเมตตาตั้งไว้ในใจจะมีคติไดๆมันจะช่วยการมรรลุธรรมได้ถ้าทำใจให้ดีมันก็มีส่วนที่ทำให้เขาถึงธรรมะได้ง่าย มีชดทามีศีลสำรวมบ้างไม่พูดพล่าไม่หกมุ่นไม่คุกคีกันแม่จีอยู่ด้วยกันก็เหมือนกับเราอยู่คนเดียวเราอยู่คนเดียวก็เหมือนกับอยู่กับหมูด้วยจกตกแต่งชีวิตของเราให้พอเหมาะพอสมกับกาลเทศะะหลายอย่างที่เป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติธรรม เม่ใช่บ่อยจะเดินจงกรมทั้งวันนั่งสมาธิสร้างจังหวะแต่ใจเล่ารอ้อนอารมณ์ข้างมันก็ไม่ใช่แล้วเวลาขยันก็ทําไปเพื่อเพื่อเพื่อเหลาบเจ็ดเทิ้งก็นอนไม่ใช่อย่างนี้ต้องเป็นสถามันปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบั ต, ติตออกจากทุกปฏิบัติสม่ำเสมอ เป็นสามันอย่าคุมไร้คุมดีภูผู้แพร่ไม่มีความคิดพารมไม่ใช่ต้องมีความเพียรมีศรัทธาเป็นหลักมีสติเป็นการศึกษาเข้าไปมีความลู่โลบโลภอลันเทาอาลาย ให้เหมาะสมกับกานใช้ชีวิตของเราอันนี้ต้องหาออกเองไม่มีใครสอนเราต้องหาส่วนประกอบเรียกว่าทฤษฎีอย่าจนในทฤษฎีอยู่ในหัวใจเราเนี่ยแต่งได้่าอไอ่เป็นดีได้เปลี่ยนผิดเป็นถูกได้แล้ ว, ว่าสถาปาลมี วาชนาคือเขียนให้มันดีวาดลงไปวาดกายวาดใจแต่งลงไปแต่งกายแต่งใจนิสัยใจคอมันแข่งขันกันได้วาชนาเนี่ยอย่าไปโผล่ไปไปพูดว่าบนวาชนาแข่งขันกันไม่ได้ไม่ใช่เลยแข่งกันได้อเอาอย่างกนดีเอาอย่างพพุทธเจ้าเอาอย่างพระสาวก มันมีหลายอย่างที่เอามาประกอบไม่เท่าเทียมไม่ใช่ว่าแต่อารมณ์พาปฏิบัติเวลาปฏิบัติหน้าวูดบูดท้อเคียดเาเกินบางทีมันทุกข์ขับปฏิปทาทำด้วยความยากลำบากมันก็มันู้ทำได้ยากต้องเป็นสุขะปฏิปทาทำด้วยความสดชื่น โบราณทำไมใจดีแฉกไยใจไล่แฉ่ไหมถ้าใจไล่ไปแฉ้ไหมเนี่ยเวลาดึงไหมอะ่ะมันไม่ขาดมันจะบาดมือเข้าก็เลยให้แฉ่ไหมเพื่อจะได้บาดมือเมือไหมหมดมือค่อยๆทำไะถ้าใจดีก็ใช้ไฟได้อยู่แล้วเบาๆ ก, ก, ก็ได้หัดเอาความยากก่อนละ่ะยิ้มในความยาก ยิ้มได้เมื่อภัยมีปึกตนอย่างนี้เข้ ม, มแข็แงในความมรแสให้ได้วันร้อนให้เย็นอยู่ในความร้อนให้ได้ไม่ทุกในสิ่งที่มันทุกได้ไม่หลงในสิ่งที่มันหลงได้หดนักตนสอนตนอย่างนี้เรียว่าปฏิบัติธรรม